ทราบว่าพวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะก่อความบาดหมางก่อความทะเลก่อความวิวาดก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงด้วยตนเองและพากันเข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาดก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสง แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนั้นอย่าได้เอาชนะพวกท่านท่านทั้งหลายจงโตอตอบให้แข็งขันพวกท่านเป็นบัณฑิตกว่าเฉลียวฉลาดกว่าเป็นพระหูสูตรกว่าและสามารถกว่าภิกษุนั้นอย่ากลัวภิกษุนั้นแม้พวกกระผมจะคอยเป็นฝ่ายพวกท่านดังนี้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 ไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยภิกษุทั้งหลายชะไนโมคะบุรุษทั้งหลายจึงก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณในสง์ด้วยตนเองและพากันเข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะก่อความวิวาดก่อความอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าภิกสุรูปนั้นอย่าได้เอาชนะพวกท่านท่านทั้งหลายจงโต้ตอบให้แข็งขันพวกท่านเป็นบัณฑิตกว่าเฉลียวฉลาดกว่าเป็นพระหูสูตรกว่าและสามารถกว่าภิกสุนั้นอย่ากลัวภิกสุนั้น